เรื่องหญิงหมันหนึ่งเรื่องสมัยนั้นยิงมันคนหนึ่งบอกภิกษุที่นางบอกคำว่าเพราะคุณเจ้าโปรดหายาที่ทำให้ดิฉันมีลูกได้ด้วยเถิดภิกษุนั้นรับคําแล้วได้ให้ยาแก่หญิงหมันนั้นนางถึงแก่ความตายภิกษุนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคองส